เหมือนตอนนี้มันก็เข้าอีกล้าไม่ไหวแต่สังเกตไม่ห้ามมันไม่ได้ใช่ค่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหนูจะทรมาร์มากเพราะว่าอะไรที่เคยทำได้แล้วมันทำไม่ได้อะมันจะทรมาร์เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยเราต้องเป็นกลางกับมันการที่เราเห็นนะแต่ละคราวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสื่อมลงมาดีแล้วเสื่อ ม, อมต่จะค่อยๆเป็นกลาง ม, มันเริ่มฉลาด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 เป็นยังไงไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนก่อนละคิดว่าตัวเองเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะเออนะถูกต้องแล้วแล้วหลวงพ่อแนะนำอะไรเพิ่มรู้ลูกเดียวเลยดีขึ้นนังเยอะแล้วไม่เหมือนคนเดิมแล้ะคนเดิมเป็นนักทมวันนี้เริ่มรู้แล้วว่าทาไม่ได้เราเพิ่งมาครั้มมงแรกะนะคะครั้งแรกได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว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 มาตั้งหลายครั้งแล้วอะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทาความรู้สึกสัง เ, เกตไหมใจมันสงบมากขึ้นใจมันเบามากขึ้นหรือออกเปล่าหรือดูไม่ออกเลยยังไม่ค่อยออกนะบางคนนะภาวนาเป็นธาวนาดีขึ้นมายังไม่รู้เลยก็มีนะพระเจ้าจึางบอกว่าบางคนจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลบกว่าใช้ไม่ได้ <laughs>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 หลงยูคนเป็นไงมาจากไหนคนนี้มากับคุณเก้าค่ะอาภารเดีค่ะชวนมาค่ะเคยฝึกฝึกแบบไหนล่ะไม่เคยฝึ ก, กเลยเพิ่งเคยมาค่ะเแล้วนั่งไปก่อนนั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวภาวนาเป็นเองแหละกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนน่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขสอนส่งไปข้างหลังเลยไปสง่งให้เบอร์หนะ้าสิบพ่อครับที่ผมตามดูยอยู่เนี่ยยังบังคับอยู่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 ถูกตั้งหรือเออ่าเดิดีขึ้นเยอะแล้วดูไปเรื่อยๆใจมันเริ่มโปร่งเริ่มสบายรู้สึกไหม<ฆ>ออมันสบายขึ้นสบายขึ้ น, านภาวนาเป็นสบายนะไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งลําบากนะหลายคนภาวนายิ่งลําบากขึ้นลําบากขึ้นคิดว่าบากถึงขีดสุดเรียกว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่รู้ทุกข์หรอกคําว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าความทุกข์ยากอย่างนั้นนั่นมันทุกขเวทนาปฏิบัติแล้วรู้สึกอึดอัดขับแค้นนี่มันทุกขเวทนา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 ทำไมหลวงพ่อปราโมทพูดอย่างนี้หลวงพ่อโน้นว่าอย่างนี้หลวงแม่นี้ว่าอย่างนี้นะ <c oughs> มีหลายสายพันธุ์เลยยุ่งกันใหญ่จริงธรรมะน่ะของง่ายใครๆไปเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงอุทานบ อ, อกแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนเปิดของคว่มให้ไงง่ายนะนเนี่ยคว่มๆเงี้ยจับไงมันยากเหรอไม่ยากของเรา มายุคนี้สับสนพระเจ้าข่าแลไปเจอพระเจ้านะสับสนพระเจ้าข่ายากกว่าที่คิดอะไปโ น, น่นซะอีกนะคุณค่ะอย่ไปหลงกล น, นะกรรมาฐานจริงๆง่ายที่สุดเลยนะหลงอยู่นี้คนหนึ่งจะคุยอะไรกับหลวงพอ่อเปล่าเบอร์สิเเนี่ยคุยก็ไม่ไม่มีอะไรก็ผ่านไปเองั้นส่งไปข้างหลังอเอากบกบไปนั่งคู่กันนี่ย นี่นี่ก็ตกว่างไงสติมันหายไปไหนเลยเ ม, มื่อก<ะ>ี <laughs> ้นี่ฮะเมื่อกี้งงๆเลยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ไปตกอยู่หน้าวัดเนื้ <laughs> ลืมไปหายอยู่โรงอาหาร <laughs> ก็ตอนนี้รู้สึกว่ากบกับไปตั้งต้นใหม่อคะค่ะไปดูอารมณ์ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยดีกว่าที่เคยทํามานะไม่ใช่สติหายนะสติมันเป็นธรรมชาติมากขึ้น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 ตมันจะเกร็งเงนิดนึงมันจงใจ <c oughs> คือตอนที่เผลอไปเป็นอกุศลตอนที่รู้สึกตัวตรง น, นี้ดีที่สุดเลยบางเฉียบเลยนะเบาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยแต่ถัดจากนั้นเนี่ยเรากลัวจะเผลออีกเราก็เลยไปจ้องไว้ไปบังคับไว้ไปควบคุมไปกำหนดไปดึงก็จะแน่นๆขึ้นมาทำไงดีครับหลวงพ่อทำไม่ได <c oughs> ้ให้รู้ตามที่เป็น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 แล้วก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงอีกรู้สึ ก, กมากๆปัญญามันเกิดมันรู้เลยจิยจะหลงห้ามมันไม่ได้อย่ารู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้พอรักษาไม่ได้มันกลายเป็นพิงถ้าคนทั่วๆไปก็เหลอใหม่เกิดครั้งใหม่สองคนใช้ได้นะสองคนภาวนานดีก็ดีละกบแข็งเกินไปแล้วอ่ะเบอร์สามสิบห้า ก, การหลวงพ่อคะ่ะฟังแผ่นของหลวงพ่อทุกวันาการปฏิบัติมีอยู่เมื่อวันศุ่นนี่คือมีอยู่คืนหนึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วจะตางดูเพอได้เร็วมากค่ะแล้วก็จิตที่ส่งออกนอกนี่จะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะรู้ตัวไวค่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นมีมีอยู่เมื่อคืนวันศุ่นนั่งนั่งไปเนี่ยรู้สึกกลัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจิตมันก็ว่าง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 ใกล้ชิด ก, ก, กับลูกกับหลานเวลามีอะไรมาผัด ส, สะคําพูดแรงๆนะี่จิตจะเฉยหมดไม่มีอารมณ์โต้อตอบว่ามีความมียินดียินรไล่จะาวางเฉยหมดแล้วจะเห็นตัวกิเลสเนี่ยบ่อยมากที่สุดแล้วบางทีเราก็รู้เป็นกิเลสแต่เราก็ไปยอมมันก็มีคะแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะอย่าให้รูกไปเอาอย่าคุ้นเห็นเลยว่าเราคิดไปแล้วเนี่ยปรุงแต่งความจริงมันไม่ได้มีความอยากไม่มีความหิวเลยแต่อยากจะเอาในที่สุดมันก็ละลายไปมันก็ไม่เอา มีหลายอย่างบางทีคิดถึงลูกอยากคิดถึงลูกอยากจะอยากจะอยากจะโทรไปถึงลูกรู้ไอ้นี่เราเผลอนี่บางทีมันละล้าละลามันกวนก็วายเห็นหมดเลยละส่ำรสายหมดเลยมันเห็นดับเห็นดับเห็นดับอย่างเวลาฟังเสียงหลวงพ่อบางทีก็เห็นหลวงพ่อเสียงมันกระทบที่แล้วก็ดับดับดับๆบางครั้งเนี่ยมันดับที่หูแต่บางครั้งมันาดับที่จิตก็มีส่วนใหญ่จะดับที่จิตค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 บางคนรู้สึกกลัวมีหลายแบบวันนั้นที่ที่โยมเห็นก็มีทั้งกลัวแล้วมีความง่วงว้างเจ้าค่ ะ, ะนันแต่พอดูไปนะต่อไปแล้วก็รู้อีกความรู้สึกกลัวความรู้สึกเวงว้างก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้อีกเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเช่นเดียวกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นเองใจก็ค่อยตั้งมั่นขึ้นมาคร น, นี้ใจตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นขันทำงานใจตั้งมั่นโดยไม่เข้าไปแทรกแซง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 แล้วลูกหมาเปล่าวันนี้ลูก อ, อลูกก็พาฒนาดีขึ้นเยอะแล้วชิรัตมีโมหะเหมนเดิมครับมีโมหะไม่เยอะนะมีโมหะพอประมาณทําไมมันมีโ ม, ม, มหะ<ม>อย่าไปบังคับสินะปล่อยน้าหญิงก็ ย, ยังมีแน่นแน่นสลับแน่นๆเพราะว่าบังคับครับับกส่งไปโน้นโ้นทางโน้ น, นกันไป องนี้เดี๋ยวขาดช่วงไม่มีคนส่งต่อตอนนี้เรื่องของราคะความอยากนี่จะสกัดกั้นมัค่อนข้างจะดีนะแต่เรื่องโมหะมันก็ห้าสิเอร์เซ็นตมันอยู่ในจิตแต่บางทีเนี่ยมันปุ๊บกระทบปุ๊บเนี่ยอย่างเรื่องของลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาเลยโดยวาจาแต่ทางกายนี่ครับจะไม่มีละแต่ก็รู้ก็รู้เร็วขึ้นจะรู้เร็วขึ้นใช้ได้แนละ้วดูไปได้ครับส่งต่อส่งต่อ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 อย่ารู้สึกรู้สึกขึ้นมาฝึกไปดูไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วครับอ้าวเขียวใช่ไหมไม่ใช่ครับเด๋อไม่ใช่แมคใครชื่ออะไรนะแมคครับแ <Bang. S 1> บง <Bang. S 1> ค์ว่าไงแบงค์ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจมันละสัมละสายกว่าแต่แต่ก่อนนะครับพอไมมันเริ่มไกลเข้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบจิตใจ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 เบอร์สิบสามผ่านแล้วไม่ต้องลอะเบอร์สิบสองพ่งเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วก็นี่เป็นกัญยาณมิตรแนะนำมาดีมีกัญยาณมิตรค่ะเออก่อนมาที่มีโทสะมากสมด้วยอาคาดมันมันหนักใจแต่ตอนนี้ได้มาฟังหลวงพ่อก็เริ่มคลายไป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 ถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก <c oughs> ถ้าตึงตรงนั้นได้ก็คือปลอดภัยแล้วได้โสดา <c oughs> <c oughs> แต่ก็รู้ว่าตัวเองมีโทสะมาก <c oughs> ดีดีที่รู้นะ <c oughs> แล้วยิ่งภาวนาต่อไปนะจะรู้ว่าร้ายกว่าที่นึกไว้อีกนิ่ มันได้มาตั้งสี่เดือนแล้วค่ะตอนนี้พอไม่ใกล้มาถึงก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นใจมันเต้นก็ก็รู้สึกตื่นเต้น่ะคะตอนนี้แล้วไงอ่ะก็ตอนนี้ก็พยายามรู้อยู่แล้วมันก็ตอนนี้เริ่มคลายแล้วค่ะบังคับมันได้ไหมไม่ได้ค่ะเอบังคับไม่ได้ค่ตัวละใช้ได้แหมอคือในระหวังระหว่านั่งฟังก็รเรยอยู่ก็คิดของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีข้อสรุปอะไรเลย รู้บ้างไม่รู้บ้างฝั่งไม่ค่อยออกอะไรนะระหว่างฟังคนอื่นอยู่ก็นึกของตัวเองว่าจะรายงานหลวงพ่อยังไงครับก็มันไม่มีข้อสรุปอินว่ามันเป็นการลึกย้อนแล้วก็เราก็เห็นเป็นระยะระยะนะก็ดีแล้วคุณหมอยังบังคับอยู่นะคร่มันการทกรานระนี่้บังคับยืนพื้นไว่ามัตรงนี้เนี่ยผระยะนะกีแล้หมอยบัอย่นะอินทว่ามปการลึกย้อนแก็ราก็เห็นเป็นยะยะนะก็วคุณหมอยังบัติไป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 แล้วมันก็ตามมาด้วยกระบวนการนี้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันเคยชินวิธีชีวิตที่ต่านมาก็พยายามจะไม่ไม่ไปข้องเกี่ยวกับวิธีการอย่างนี้มันก็ก็หลบไม่ค่อยออกใจมันเคยชิ น, นเคยชินนะรู้การหลวงพ่อผมกอญาตเรียนถามที่ปฏิบัติอยู่นี้ดีแล้วรือยังดีดีปฏิบัติเธอดีอัค่นั้นแหละ <laughs> คอยรู้คอยดูนะอย่างเนี้ยแบบเมื่อกี้เย่ยวไปส่งไม่รู้สึกไหมลืมไปหัดเนี้ยนะไม่ต้องหัดรู้สึกตัวตลอดเวลานะหัดเนียหัดเผลอบ่อยๆไม่เผลอนานแต่เผลอบ่อยๆไหลยแวบรู้สึกแวบบรู้สึกนะถ้าเราพยายามฝึกไม่ให้เผลอนะจะเครียดสุดขีดเลยเราเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแค่ว่าเออเผลอแล้ว เ, เราจะรู้ให้ไวๆนะนี่พอเป็นไปได้นะมันจะง่าย รค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่ปฏิบัติค่ะอยที่บ้านก็เห็นเห็นตัวเองคิดอะไรเยอะแยะไปเลยเสียงดังคิดอยู่ในหัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูดูมันมันมันรู้สึกไม่เบาไม่วางนะคะแต่ก็แต่ก็แต่เห็นอยู่เรื่อยรู้สึกรู้สึกว่าเห็นว่าตัวเองคิดบ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะแต่มันยังมันยังรู้สึกรู้สึกแบบว่ามัน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 นั่นทำทำผิดแล้วไม่เลิกนะมันคิดตลอดแหละแล้วลก็มีอีกเรื่องนึงค่ะชอบมันพอมันบางทีมันรู้ๆว่าตัวเองมีกิเลสขึ้นมาค่ะมันจะแอบบอุ้ยไม่เอาขึ้นมาอเองค่ะแต่มันจะเห็นอาการที่แบบว่าไม่เอาเองแต่ไม่ได้ไม่เอาแบบมีสติค่ะมันจะเหมือนกับเฮ้ยไม่เอาเหมือนกับยังไม่ทันรู้เลยค่ะว่า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 หูรู้สึกว่าบางทีมันเหมือนมันมีวิธีที่นําให้เกิดสติได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าค่ะเออทายัางไงอ่ะหนูใช้เหมือนกับถ้านั่งอยู่ว่างๆค่ะจะมองไปรอบๆตัวค่ะแล้วจะเห็นว่าเ อ, อ้ยตรงเนี้ยมันภาพมันเบลอๆแล้วเราจะแล้วพอเห็นภาพเบลอๆปุ๊บแล้วก็บอกตัวเองว่าออตรงนี้ไม่มีสติแล้วเปลี่ยนจุดมองจุดพอเปลี่ยนบางทีใจมันจะปิ๊งๆแล้วก็สว่างขึ้นมาค่ะก็<ร>ใช้ได้ไมันเป็นอุบาย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 ดูหน้าหลวงลุงนี่หลวงลุงปฏิหารให้ดูเห็นไหมไม่ชัดหรอก <คะ S 1> ถ้าใครภาวนาเป็นนะจะเห็นหลวงพ่อแสดงปฏิหารนั่งนั่งอยู่ที่บางทีหายแวบไปเฉยเฉยไปดูหมาก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะดูหลวงพ่อหรอกนะจากครูวิญญาณจิตมันเกิดแล้วมันดับวับรูปมันก็ดับไปด้วยตะกอนหนูเข้าใจผิดคิดว่าวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีการทําสมาธิขึ้นมาค่ะนี่แหละมันเป็นการหัดดู อเห็นสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ใช้ได้หนูเพิ่งรู้วันวันนี้เองค่ะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าหนูพยายามจะทำดูซ้อมดูก่อนที่จะมาเรียนหลวงพ่อคะอ่ะก็เลยเห็นว่าเอ้ยบางทีมันก็ทำแล้วมันไม่เกิดปิ๊งปิงขึ้นมาคะ่ะก็เลยรู้ว่าโอ้มันน่า จ, จะใช่ค่ะมันทำไม่ได้น้อยมันลดยศเราเป็นหลวงลุงมันมันเรียกหลวงพอ่อ <c oughs> เออแลม ก็นี่เสียงแตกวะรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนนะครับหรอ ม, มันไม่ดียังไงอ่ะก็ช่วงนี้รู้สึกฟุ้งซ่านมากด้วยครับอืมแล้วทําไมรู้ว่าฟุ้งซ่านอ่ะก็บางทีนั่งวิ่เรื่อยมันก็คิดไปเรื่อยครับคิดไปนานนสักพักนึงมันถึงเพิ่งจะรู้ขึ้นมาครับอ๋อนานนานไม่ดีถ้าไปไหลแวบบเรารู้อย่างนี้ดีนะ ต้องมีรูปแบบของการปฏิบัตินะพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธแล้วพอใจหนีไปจากพุทโธก็รู้ทันพุทโธไปพอใจสงบก็รู้ทันพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วรู้ทันใจไม่ใช่พุทโธให้ใจนิ่งนะพุทโธแล้วรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอ้าว่างไงในยนิตได้ยินชื่อออกพิทยุบ่อยๆมีด้วยค่ะโอมีคุณจิตราพรน่ะอริยาพรน่ะ คุณน้องอะ่ะอ๋อคุณน้องค่ะ เ, เ, เขาพูดถึงอยู่ทุกอาทิตย์เลยไม่ได้ทราบเลยนะแต่ตมาไม่ได้ฟังวิทยุหเขาบันทึกเทปไว้ให้ฟังที่เขาเอาหนังสือทางเอกไปอ่านไม่อ่านอยู่แล้วคะหรือเออจะจบอยู่แล้ว <c oughs> เห็นว่าสารในวิทยุสังฆทานก็ไปอ่านอยู่นะคะตอนนี้เพิ่งเปิดแกดิ่งเริ่มอ่านนะคะแล้วไงเราอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันมันนิ่งเกินไปหรือเปล่าคะ กํลังพยายามดูว่ามันไม่นิ่งนะตอนนี้ใจกําลังกระเพื่อมฟุ้งล ะ, ะรู้สึกไหมใจมันพร้อมที่จะกระเพื่อมฟุ้งแรงๆนี้พออยู่เฉยๆแล้วก็จ้องเอาไว้ให้มันนิ่งๆพอเผลอมันก็กระเพื่อมแรงขึ้นมามันชินที่จะเข้าไปทํานิ่งใช่ไหมคะใช่ไปกดเอาไว้พอวันตอนไหนเผลอไปไม่ได้กดนะมันก็กระเพื่อมแรงจะพร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมา นี่ไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันไปเลยเออมันไปห้ามมันไม่ได้หรอก <c oughs> ดูไปเรื่อยห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้มไมไ ด, ดูไป <c oughs> แล้มใจลอยแล้วล็อตก็ใจลอยไปแล้วส่งต่อก็ได้ยิ่งส่งต่อลงพ่อยิ่งชอบนะตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าสงบนิ่งนี่เป็นเพราะว่าเราไปเพ่งหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เราสติเราค่อยเกิดละ ถ้าสติเกิดพอมันรู้ทันใจมันค่อยตั้งมั่นขึ้นเวลากิเลสเวลานิวรันมันเกิดขึ้นมาสติมันไปเห็นเข้าตอนนิวรันดับไปนะสมาธิมันก็เกิดเองแหละเพราะนิวรันมันเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตมีสมาธินิวรันไหลแวบบสติรู้ทันก็ขาดไปใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาค่ะนะก็คือรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆออใช่ไหมจ๊ะคุณรู้ไปเรื่อยๆนะเหอลอแล้วรู้สึกไหมเหอลอแล้วตอนส่งไม้นี่เป็นตอน หากินง่ายของหลวงพ่อเลยครับเพราะว่าหลงเกือบหมดแหละตอส่งไมเดี๋ยวค่อยดูคนต่อไปเวลาส่งน้องส่งเงี้ยว่างไงไปถึงไหนละรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ถามหลวงพ่อเพิ่งเริ่มเคย<ป>มาไหมเคยมาครั้งเดียวค่ะเห็นกิเลสบ้างไหย นี่ราคาที่อยากถามค่ะอหลวงพ่อเลยถามก่อนไงคมาถามหลวงพ่อเห็นกิเลสไม่ตอบได้ไงนะกิเลสเกิดบไม่วั น, ว, นวันหนึง่งโรคกรดหลงอะไรอย่างนี้เห็นบ้างไหมเริ่มเห็นมากขึ้นค่ะอนั่นแหละดีะนะเราวัดความก้าวหน้าโดยที่เราเห็นสภาวะธรรมได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่สภาวะธรรมที่มีมากเลยคือกิเลสนี่แหลอะอกุศลมีเยอะนะกุศลเกิดน้อย นั้นการที่เราเห็นจิตใจเรามีกิเลสได้เยอะแยะเลยนั่นสติเราเกิดบ่อยดีนะดีค่อยๆฝึกไปแต่ว่ามันติดกรรมฐานเดิมมันมันยังนิ่งๆอยู่ยังมีความนิ่งเกินจริงอยู่นิดนึงส่งตอบไปเห็นไหมเผลอละเผลอละเห็นพยายามเรียบเรียงคำพูดอะไรนะเรียบเรียงคำพูดอยู่ ตอนเรียบเรียงอยู่ใชจ้านเรื่องสตินะฮะจ้ย์บอกว่าสติเกิดจากการจําสภาวะจิตมันจํานะไม่ใช่เราจําจิตมันจําสภาวะได้แล้วตอนแรกๆนี่เราต้องช่วยจิตจําก่อนนะปะครับวิธีช่วยจิตให้จําก็คือพาจิตไปดูสภาวะบ่อยๆงั้นเบื้องต้นนะทํากรรมฐานอันใดนหนึ่งขึ้นมาก่อนที่เราเคยคุ้นเคยอ่ะที่ทําแล้วสบายนะ อย่างบางคนดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็เอาท้องพองยุบแต่ถ้าดูท้องพองยุบแล้วคลีดคลี ด, ลดแข็งแข็งก็เปลี่ยนซะไม่เหมาะหาอารมณ์กรรมฐานอะไรที่อยู่แล้วสบายขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะเช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้นะอะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็หัดดูสภาวะแต่เดิมเราทํากรรมฐานอะไรเราชอบไปเพ่งให้นิ่ง เช่นรู้ลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมรู้ท้องเพ่งท้องรู้มือเพ่งมืออย่างนี้ไม่เอาเปี่ยนใหม่เราก็รู้อารมณ์นั้นไปแล้วใจของเราเป็นยังไงเราค่อยรู้เช่นเราดูท้องฟองยุบแล้วใจเราแอบไปคิดแวบเรารู้ทันว่าใจหนี่ไปคิดแล้วดูท้องฟองยุบไปอีกใจไปเพ่งไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องแล้เราก็รู้ทันว่าจิตเราไหลเข้าไปอยู่ในท้องแล้วดูท้องฟองยุบไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้สภาวะนั่นเอง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 นั่งดูไปสภาวะแต่ละอันแต่ละอันมันจะเวียนหมุนเวียนขึ้นมาในใจเราเรื่อยๆเราก็คอยนั่งเรียนรู้มันไปคอยดูไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงทำหน้าที่เรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้สภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองอีกอันนึงนะครับบางทีเราเวลาเรารู้สึกว่าเราคิดเนี่ยนะฮะเราก็พยายามพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็จะหยุดความคิดในการทาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะความจาเรา อะไรนัเดี๋ยวเดีเอาใหม่ทสิเราพ่อไม่ได้ยินเอออย่างบางทีสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราคิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเริ่มรู้สึกตัวแล้วเราก็จะตัดความคิดนั้นอะไรความคิดนั้นนะตัดความคิดเอออย่าไปตัดมันปล่อยมันคิดเลยมันไม่คิดแล้วมันขาดไปเองใช่ไหมแม่อย่างเวลามันคิดนั้นมันหลงคิดคิดไปตัวนี้เป็นอกุศลครับตรงที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดตัวนี้เป็นความรู้สึกตัวแล้จิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้ว ถัดจากนั้นเนี่ยเกิดอกูสนตัวใหม่ไม่อยากจะคิดแล้วพยายามตัดอันนี้เป็นอกุศลนั่นใหม่ละมันเปลี่ยนสภาวะละงั้นเวลาที่รู้ที่ถูกต้องนะชั่วขณะแวบเดียวบางเฉียบเลยตรงที่รู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดอันนี้รู้จริงๆนะชั่วขณะเดียวจิตก็จะเปลี่ยนอารมณ์อีกนะเช่นไปเกิดการบังคับตัวเองไม่ให้คิดนะถ้าไปสติก็ไปรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปบังคับแล้ว ค่อยรู้ตามหลังอย่างนี้เรื่อยๆ <Okay. S 1> ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้ละวใจมันค่อยมีสติขึ้นมาแล้วขอบคุณครับโอ้ยังไงมันก็ไม่หมดห้องเนอะไม่รู้จะทำยังไงเนาะพ่ออยากแยกร่างแปลงร่าง <laughs> มีหลายๆองค์หน่อยคนไหนภาวนานะก็รีบๆเขานะรีบขยันดูเขารู้ทําเห็นทาแล้วจะได้มาช่วยกันสอน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 เมื่อกีบเหลอไปเห็นไหมฝึกอย่างนี้นะฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆง่ายไม่มีอะไรอะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมางเลยค่ะแล้วก็หนักๆศรีรษะค่ะแล้วก็ใช่เพราเราไปไปเกรงเอาไ้บังคับพยายามข่มความตื่นเต้น อ, อย่าไปข่มมันสิตื่นเต้นให้มันตื่นเต้นไปร้องเพลงสักเพลงได้ไหมค่ะ <laughs> แล้วที่ที่นั่งมาก็ไม่ทราบว่า ถ, ถูกผิดนะฮะหลวงพ่อ เพราะว่าบริการพุโทโธแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหมตอนเนี้ใจเราฟุ้งแล้วดูออกไหมตรงที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยพิคิดใจเลยใช<ะ>่ไหมใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดให้รู้ทันว่าใจเราตีไปคิดละหัดพุโทโธนะหลวงพ่อก็หัดหายใจเข้า<ะ>หายใจออกหลวงพ่อฝ<ะ>ึกตั้งแต่เจ็ดขวบฝ<ะ>ึกอยู่22ปีทําแต่สมถะแล้วอยากให้หลวงพ่อว่าบอกว่าทํายังไงดีอะค่ะ ก็หัดพุทโธไปหัดหายใจไปแต่ไม่ใช่เพื่อให้ใจนิ่งเนีปรับปรับวัตถุประสงค์ใหม่พุทโธไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจคพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าใจไปคิดพุทโธไปหายใจไปแล้วเริ่มเกรงเริ่มบังคับตัวเองอย่างขนาดนี้บังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมรู้สึกก็เราก็รู้ทันว่าบังคับตัวเองพุทโธไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทัน ร่างกายรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆหัดรู้อย่างเนี้ยเนื้วสติเกิดเองในหลังๆก็รู้สึกว่าพอตัวเองไปคิดอย่างอื่นก็ก็รู้นะคะแล้วก็กลับมาอย่าดึงกลับมานะเราไม่ดึงใช่ไหมเออไม่ดึง<อ>ดึงแล้วแน่นอ๋อถ้าดึงแล้วจะแน่นๆน่ะรู้สึกนั่งแล้วบางครั้งก็โล่งๆบางครั้งก็แน่นๆน่นนะคะโล่งๆเนะี่ยเพราะไม่ได้เจตนาจะรู้มันไปรู้เข้าเองค่ะแน่นแนะ่นเนี่ยเพราะไปพยายามจะรู้บ้างพอรู้แล้วพยายามบังคับบ้างก็แน่นแน่น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 ทำไมล่ะเพราะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมีความสุขนี่นมนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะดีแล้วเข้าร่องเข้ารอยแล้วดีแล้วดูไปเรืเ่อยๆแล้วมันก็จเจริญมั่งเสื่อมมั่งนะไม่ต้องดีตลอดนะพยายามให้ดีตลอดเดี๋ยวเสียมหมดรูด้ไปเรื่อยใช้ได้วันนี้แสงหน้าโง่งไปได้แนละ้วโอ่งโมหะเยอะเรียกโมหะเต็มโองเลยวันนี้ อการทำวัสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ได้ไปรำเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนานะคะแต่ตัวตัวโยมมันก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีโทสะเกิดขึ้นง่ายมากแล้วตั้งแต่มีความรู้สึกว่าเราเริ่มทําวิปัสสนาขึ้นมาครั้งนี้สึกว่าอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเริ่มเย็นขึ้นค่ะทํำยังไงอะวิปัสสนา ก็คือแบบว่าให้รู้ตามรู้ตามความเป็นจริงที่ที่เราของโยมยังบังคับอยู่หน่อยๆนะอ๋อเหรอคะค่ะตัวออกไหมยังบังคับอยู่ก็เพิ่งทําเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะให้รู้ทันนะเราบังคับค่ะค่ะยังบังคับไม่บังคับเลยไม่บังคับใช่เราจะปล่อยให้เขาทํางานไปเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้ามันเหมือนเด็กอ่ะเราจะดูใจเราเหมือนเราดูเด็กคนหนึ่งเราปล่อยให้มันทํางานให้มันซนไปเถอะ เดี๋ยวมันก็วิ่งไปเดี๋ยวมันก็ไปนอนเดี๋ยวมันก็ทําอย่างงาน้นทําอย่างงี้เดี๋ยวหัวรอเดี๋ยวร้องไห้เราตามดูไปเรื <Okay. S 2> ่อยๆแต่ถ้าเราไปบังคับไปจ้องนะเด็กซึมๆนิ่งๆเครียดๆเนี่ยนิ่งผิดความจริงอ๋อค่ะก็คือเคยแบบนั่งสมาธิหรือหรือหรือสมาทานี่มาหปีแล้วก็สวดมนธรรมบัช้าวัดเย็นมาตลอดอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยพอดีลูกเข้าได้มาฟังทำตรงนี้ก็เลยบอกว่าเออคุณแม่คะ่ะ เอามาเรียนวิปัสสนากันดีกว่าไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจตรงนี้ขึ้นมา ค, นะค่ะสมถะเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ว่าทำแต่สมถะอย่างเดียวไม่พอไม่พ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้เพราะว่ามีปัญญาอ๋อค่ะตอนแรกที่ยมก็ไม่ทราบนะคะว่าการสมรถะหรือว่าวิปัสสนาเนี่ย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 ดีแล้วค่เรียนค่เรียนไปนะยังติดกรรมฐานเพ่งมากไปนิด น, นึงค่ะตอนนี้ค่ะไปเรียนจากไหนล่ะหายใจเนี้ยไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนมาที่ทําอยู่ที่บ้านเองค่ะเหลอทำเองนะเพราะว่าคือห้าปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองนี่รู้สึกไหมตอนนี้หลงละอะไรนะคะตอนนี้เราหลงไปแล้วหลงค่ะหลงให้รู้ทันนะให้ส่งมาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะในหัดอย่างเนี้ยหัดหลงไปแล้วเรารู้หลงแล้วรู้ เครียค่ะหลงพอแล้วก็น้อยลงกว่าครั้งแรกที่มาค่อนข้างเยอะค่ะดีแล้วนะใจเริ่มเปลี่ยนแล้วรู้สึกไหมค่ะใจเราค่อยสว่างค่อยผ่องใสค่อยสงบคนภาวนาเป็นนะมองปลาดเดียวก็ดูออกนะหน้าตามันไม่เหมือนคนทั่วทวไปคนทั่วทวไปน่าจะมอมมอมมมมเหมื อ, มม อ, มมอมมนหน้าครุขี้เท่าเลยคนภาวนานะหน้ามันจะใสสว่างมันสว่างมาจากข้างในนะ สว่างถึงที่เนี่ยกระทั่งกระดูกยังใสเลยสว่างมันฟอกมาจากข้างในเลยอยากยินธรรมหลวงพ่อค่ะไม่ทราบที่ปฏิบัตินี่มันเป็นยังไงนะคะ<า>ที่ตัวเองปฏิบัติไม่ทราบว่ามันถูกหรือมันผิดว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้น <c oughs> เออตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นแล้วรู้ว่าตื่นเต้นก็ใช้ได้แล้ว ม, มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยตามรู้ตามดูไปะ ง่ายๆอย่างเนี้ยใจหนีไปคิดรู้จักก็ยังใจมันชอบหนีไปคิดรู้สึกไหมพอมันหนีไปแล้วก็รู้นะอย่าไปดึงนะเนี่ยกลับมาดึงไว้แล้วรู้สึกไหมไปบังคับแนละ้วตรงนี้ไม่เอานะไม่บังคับใจมันไหลไปเราแค่รู้ว่ามันไหลไปไม่ไปดึงมาถ้าดึงมาเราจะแน่นๆถ้าภาวนาแล้วรู้สึกแน่นๆทำผิดแน่นอนนะจิตที่แน่นๆหนักๆแน่นๆเนี่ยอกุศลจิต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 ฟังแล้วใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฟังแล้วใจลอยแวบไปเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทันฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆมีคนจํานวนมากเลยที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะฟังซีดีหรืออ่านหนังสืออย่างเดียวตื่นขึ้นมานมีเยอะเลยนั้นเอาไปฟังนะช่วยตัวเองมากๆมาถึงวันนี้หลวงพ่อไม่สามารถไล่จี้ได้ที ล, ละคนแล้วเพราะว่าเยอะเกินที่จะทํามวลชนเยอะ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 จิตใจชนิดนี้เอาไปรู้กายเอาไปรู้ใจมันจะเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันเห็นเองนะไม่ต้องเป็นนึกเลยว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเราไม่ต้องใช้ความคิดเลยจะเห็นซึ่งซึ่งหน้าเลยงั้นหลวงพ่อไม่ได้เน้นที่รูปแบบใครเคยเดินยังไงก็เดินไปไม่เป็นปัญหาเคยนั่งเคยกําหนดอะไรก็นะยังไงก็ได้แต่ขอว่าให้สติเกิดก็แล้วกันส่วนใหญ่ที่ทํามาในอดีตมันมักจะเป็นการเพ่งเฉย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 จะค่อยๆหัดรู้หัดดูนะค่อยรู้ค่อยรู้ค่อยดูไปใจจะค่อยๆตื่นขึ้นมาค่อยรู้ทันจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะตื่นเต็มที่ขึ้นมานะผ่องไสเบิกบานมีความสุขมีความสงบจิตใจมีละหุตาเบามีมุทิตามุทุตาอ่อนโยนมีกรรมัญญตาไม่ถูกนิวรลครอบงํานะมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อนะ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 ทุกข์ก็อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจตัวกายตัวใจนะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่เพียงเป็นที่ตั้งของความทุกข์เท่านั้นตัวกายตัวใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยแต่ตอนนี้สติปัญญาของเรายังเห็นไม่ได้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ยังไม่สามารถเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลแต่ถ้าเราเจริญสติมากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งเห็นทุกข์ล้วนๆเลยนะระหว่างถ้ายังเห็นทุกข์บ้างสุขว่างไม่ปล่อยวาง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 มันจะดับไปโดยอัตโนมัติเพรา ะ, ะรู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่สมูทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติพอทันทีที่สมูทัยถูกละ น, นิโรธคื อ, อนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี้เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะนิพพานไม่ใช่อยู่ไกลๆนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองวันใดที่ใจเราสิ้นตัณหาอย่างแท้จริงเพราะมีปัญญารู้ทุกข์อย่างแท้จริงวางกายวางใจได้รู้ทุกข์ละวางกายวางใจได้ตัณหาจะสิ้นไปนิพพานจะปรากฏต่อหน้า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 แต่ว่ายังมีโมหะอยู่นิดๆแล้วก็บังคับด้วยครับนะไปสลันมาจากเชียงรายครับก็รู้สึกช่วงบ่ายนี้ดีกว่าเมื่อเช้าครับฮะนี่ช่วงสายไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงสายดีดีกว่าเมื่อเช้าถูกต้อง <c oughs> เอาส่งต่อไปเนี่ยถ้าสภาวะถูกต้องเราใช้ได้แล้วนะ จะดีก็ได้จะร้ายก็ได้บางคนฟังหลวงพ่อมาใหม่ๆฟังหลวงพ่อแล้วงงเวลาหลวงพ่อตรวจการบ้านนักเรียนเก่านะจะลายรายงานหลวงพ่อหมูนี่เห็นแต่กิเลสหลวงพ่อเออดีดีอีกคนนึงเห็นโมโหทั้งวันเลยเออดีอีกแล้วอีกคนบอกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆอา้าวดีอีกลแล้วเลยกลายเป็นดีทุกเรื่องเลยความจริงที่ดีก็เพราะว่าเรารู้ทันสภาวะนั่นเองจิตใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงอันนั้นเรียกว่าดีครับ เห็นจิตมันวิ่งไปหาอารมณ์เยอะขึ้นนะครับหลวงพ่อแล้วมันไม่ค่อยเป็นกลางอะครับมันจะราคาญอย่าไปราคาญมันราคาญก็รู้ว่ารําคาญแล้วตามดูไปเรื่อยสังเกตไหมมันวิ่งไปหาอารมณ์เองครัแล้วห้ามมันไม่ได้หรอกโยเว้นไปเพ่งไว้นะทําสมาธิมาเลยบิดเบือนใจรักนี่ยังเพ่งอยู่หรือเปล่าครับนิดหน่อยครับอส่งไปข้างหลังแล้วได้อีกคนนึงครับการนมัสการหลวงพ่อครับ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 ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เอาตัวรอดละคนไหนเห็นว่ากายกใจไม่ใช่เรานะเอาตัวรอดละได้โสดารอดหมายถึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกินเจครั้งก็ปฏิบัติด้วดยการเฝ้าดูเนี่ยนะครับก็เคยเห็นเหมือนว่าสภาวะใจจะไปจับอยู่กับการทําสมถะบางอย่างเช่นการเดินจมกลมนะครับพอเหตุแล้วก็รู้สึก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 ไปลาท่านนนะแต่ท่านก็อธิษฐานใหญ่เลยนะขอบุญกุศลความเพียรของคุณของหลวงพี่นะรวมกันเป็นกำลังให้คุณถึงพณิพาน์โดยพรานพระบวชนะหลวงพ่อเลยเอาอย่างท่านท่านชอบเดินโจงกลมนะหลวงพ่อก็เดินทั้งวันทั้งคืนเดินสะเละเลยจวาจริงก็คือถึงจุดหนึ่งก็รู้ทางใครทางมันมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไง ร, รู้ลงไปเรื่อย คนไหนถนัดเดินก็เดินคนไหนถนัดนั่งก็นั่งคนไหนถนัดนอนก็นั่งคำอะไรหรือหลวงพ่อพูดอะไรผิดหรืเปล่าก็จะจะได้การเดินเป็นการสมรถะครับคือทุกครั้งที่ย่างก้าวเดินก็จ ะ, ะจิตรู้สึกจะสงบเพราะว่าจะไปจดจ่อที่การย่างก้าวครับคลายคลายความเพ่งออกไปหน่อยนะ ตอนี้เ พ, เพ่งแรงไปนิดหนึ่งอย่า ก, กลัวไม่ดีดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรดีหรือไม่ดีเป็นครูเราเท่าๆกันกิเลสก็เป็นครูสอนไตรลักษณ์นะกรูสอก็เป็นครูสอนไตรลักษณ์ไม่ต้องกลัวกิเลสแล้วก็หาทางหนีมันครับถ้า่านั้นผมอาศัยการเดินเป็นการสมถะเป็นการธรรมะเพื่อเสริมกําลังได้ไมไครไัได้ได้นะไม่ทิ้งรูปแบบนะรูปแบบของการปฏิบัติตจําเป็นแต่ว่ารูปแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ถนัด บางคนชอบดูท้องฟองยุบบางคนชอบเดินจงกรมเนี่ยบางคนชอบนั่งบางคนชอบหายใจบางคนขยับนิ้วอะไรอย่างนี้ก็มีอะไรก็ได้ใช้เป็นแค่เครื่องอยู่พอใจเราไหลไปจากเครื่องอยู่นี้เราก็รู้ทันใจเป็นเพ่งก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศล ร, รู้ทันเรๆ่อยๆนะไปมารู้อัตโนมัติไปหมดเลยวันนี้ได้แค่นี้นะหลวพ่อก็หมดรแรงแล้วโยมเยอะเกินเนะชิญโยมกลับบ้านไปเชิญ ทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องเข้าแถวมาคุยกับหลวงพ่อแล้วนะเหนื่อยแล้วนะเชิญกลับบ้านไปใครไม่มีหนังสือไม่มีซีดีเชิญไปรับข้างหลังนะรับฟรีข้างหลัง